อาญาติโยมของเราก็ไปย่ำเข้ามาข้างในกันนะวันนี้ญาติโยมอาจจะเยอะไปหน่อยเพราะว่าเป็นวันสําคัญไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนญาติโยมชาวบ้านชาวพุทธก็พากันมาทําบุญมาทําบุญใส่บาทกันทั่วประเทศ <c oughs> สถานที่ของเราอาจจะคับแคบลงถนัดตาเห็นแล้วก็ชื่นใจวันนี้เป็นวัน อาสารหะบะุญชาเป็นวันสำคัญแล้วก็ฝุงนี้ก็จะเป็นวันเข้าพรรษากันผู้ใจบุญทั้งหลายก็ฝักฝ่ในการทำบุญในการให้ทานฝากันมาวัดขึ้นไปนั่งบนศาลาวิหารประยกุกด้วยก็ได้นะขึ้นไปนั่งบนศาลาวิหารประยุกืก็ได้ไม่เป็นไร ในงานบุญวันสำคัญแต่ละทีนี่ก็ญาติโยมก็มาเยอะสถานที่ของเราก็มีไม่เพียงพออันนี้สงแห่งบุญนี่ก็ปากหมายล้นเหลือ <c oughs> วันนี้ก็ประมาณสักสามโมงเช้าก็จะได้พาทาพิธีไถ่ชีวิตโคผ่าทาพิธีไถ่ชีวิตโคได้มีท่านผู้ใจบุญด ไทยชีวิตโครประมาณสองคู่ <c oughs> อยากยมทันใดอยากจะมาปรารถนาอยากจะร่วมไทยชีวิตโคกอมาร่วมกันมาร่วมกันได้ตลอดเวลาก็ช่วงประมาณสามโมงชเช้าก็จะได้ทำพิธีกันศาลาของเราก็นนนแน่นทนัดแน่นทนัดแต่ก่อนก็หลังใหญ่ พอญาติโยมมาเยอะๆก็หลังเล็กเวลามีงานที่ก็ลาบากอยู่ก็ไม่เป็นไรรับที่อยู่ได้ครับใจก็ลาบากก็ให้สบายใจนี่ก็ให้สบายใจประเราชีเราก็เยอะอที่พักที่อาศัยที่หลับที่นอนก็ลาบากอยูอ่วันงานสำคัญอย่างนี้แหละมันก็มีหลายเรื่องหลายเรื่องหลายราว บางคนบางท่านก็ฝักไฝ่มาทําบุญให้ทานบางขาโมยขจรก็ตามมาอีกอก็มาคอยงัดคอยขึ้นคอยงัดคอยรักขโมยช่วงที่เราเข้ามาในสล่านี่แหละก็มาหลายสองสามวันก่อนก็งัดกุฏิวิหารทั้งจักก็ยกให้เป็นกรรมเป็นกรรมของขโมย คนค่อยคนข่อยขโมยก็แอ บ, บขโมยช่วงที่เราเผลอก็ยกให้เป็นกรรมข <c oughs> โมยก็ตามมาหาโอกาสหาจังหวะที่คนเยอะๆคนที่เผลอคนทั่วไปก็มาทำบุญขโมยก็คอยสร้างกรรมของตัวเองไปก็ยกให้เป็นกรรม อ่าข้างในก็คงจะแน่นข้างในก็คงจะแน่นก็รอข้างนอกก่อนก็ได้นะรอข้างนอกที่ม้านั่งเออนั่งรอก่อนก็ได้ไม่เป็นไรให้ทําพิธีเสร็จทําพีสีเสร็จก็ค่อยทยอยเข้ามาก็ได้ไม่เป็นไรจะได้พาทําพิธีไหว้พระสมท า, านศีลกันแล้วก็ค่อยถาวายทานช่วงประมาณสามโมงเช้าก็จะได้ทําพิธีไถ่ชีวิตโคอีกที วันนี้ท่านผู้ใจบุญก็ได้มาทำโรงทานกันหลายโรงมาสร้างโรงทานมาทำโรงทานเอาไว้รอรับอยัดโยมไม่ให้อดไม่ให้อยากไม่ให้หิวปีหน้าก็จะได้จัดทั้งโรงทานตลอดจะลาโรงทานเสร็จก็จะได้ตังโรงทานตลอดให้ทุกคนที่มาวัดมากราบไหว้พระไ ม, ไ, ไม่ได้อดไม่ได้ยากไม่ได้ลำบาก เห็นแล้วก็ดีใจปู่มใจมาบ้านของเรามาสร้างคุณงามความดีผู้เฒ่าผู้แก่ลูกเด็กเล็กเด่นก็พากันมาตอนนี้อาจจะช้าไปหน่อยเพราะว่าญาติโยมเยอะญาติโยมมาทีหลังก็อยากจะมาร่วมถาวายก็มาได้นะมาร่วมถาวายทำบุญร่วมกันนี่โอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลกันมากมาย วันนี้ก็หลังจากฉันข้าวปลาอาหารเสร็จประมาณสามโมงเช้าก็จะได้พาทําพิธีไถ่ชีวิตโคสองคู่ได้มีท่านผู้ใจบุญพระเหล่าทุกองค์ทุกรูปก็นิมนต์ ม, มาสามโมงเช้าก็นิมนต์ ม, มาที่ฉลาการประเรียนกันส่วนช่วงวันนี้ช่วงเย็นๆทําวัดสวดมนต์สนนเสร็จก็จะได้มีการเวียนเทียนรอบองค์หลวงปู่ใหญ่ปังลีลา ก่อนที่จะได้เวียนเทียนก็พระท่านอาจารย์ตะก็พราทำบัตรสวดมนต์พระเราทุกองคทุกรูปมาทําบัดรสวดมนต์สมทานปวนาเข้าพรรษากันเช่นก่อนก่อนที่จะไปเวียนเทียนเพราว่าวันพรุ่งนี้ก็จะได้เป็นวันเข้าพรรษาเย็นนี้ทําบัตรเสร็จก็ปวนาเข้าพรรษากันให้อาจารย์ตะพระหมู่ภาคณะพราปวนาเข้าพรรษากัน ญาติโยมก็พากันมาวัดมาด้วยแรงบุญแรงศรัทธาพื้นฐานของจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลกันแต่เราก็ต้องพยายามศึกษาหาความเป็นจริงของชีวิตของเราอย่าไปศรัทธาโดยที่ไม่รู้แจ้งเห็นจริงศรัทธาก็ต้องศรัทธาด้วยปัญญาด้วยรู้เหตุรู้ผลเพื่อที่จะหาทางดับทุกข์หาทางหลุดพ้นเราก็ต้องพยายามศึกษาทาความเข้าใจด้วยปัญญา ไม่ใช่ว่าปัญญาแบบหลงงมงง่ายต้องปัญญารู้แจ้งเห็นจริงแล้วก็เข้าถึงด้วยมีควา ม, มสุขด้วยถึงจะได้เกิดประโยชน์มากมายอย่าเอาแค่พิ ธ, ธีรีตองอการทำความเข้าใจกับชีวิตของเราตั้งแต่ตื่นขึ้นมาแต่ละวันแต่ละวันทุกสิ่งก็ร่วนแต่มีเหตุมีผลว่าคนเราเกิดมาอย่างไรไปอย่างไร ชีวิตทึงจะมีความสุขไม่ใช่ว่าไปปล่อยวันเวลาทิ้งมาทีหลังก็มาถวายได้เลยน ะ, ะมาถวายได้เลยแต่และ ว, วันแต่และ ว, วันญาติโยมเขามาวัดมามากหมยผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งบ้านเมืองก็พากันมามาหมดนั่นแหละมาพากันมาแม้ตแต่ ผู้อำนวยการสารปกครองสูงสุดท่านเขามามากราบมาไหว้พระบรมสารีริกธาตุมากราบมาไหว้องค์หลวงปู่ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลของชีวิตพวกเรามีโอกาสก็พากันมามามาศึกษามาคนา้นคว้ามาทําบุญมาให้ทานอย่าไปทิ้งบุญมีโอกาสให้เราช่วยกันทําบุญทําบุญทุกอย่างเท่าที่จะเกิดประโยชน์ใครอยากจะมาทําบุญมา ใครอยากจะมาถ่ายชีวิตโคมาวันนี้ก็จะได้พาถ่ายชีวิตโคมญาติโ ย, ยมท่านใดอยากจะบริจาคโรงศพเพื่อญาติโ ย, ยมก็มาหลวงพ่อก็พาทาชาวปนกิจสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์ให้กับคนในเขตตำบลของเรา3ามสี่ตำบลก็มาร่วมกันได้อนุเคราะห์ไปแล้วก็ประมาณร้อยห้าศพร้อยห้ารหลวงพ่อก็อนุเคราะห์ไปเรื่อยๆ ให้ใครญาติโยมท่านใหนที่ลำบากมาเดินในเขตตำบลมาของเราเกิดอุบัติเหตุหรือว่ า, อาตายลงไปก็จะได้มารับความอนุเคราะห์จากทางวัดให้อนุเคราะห์ทั้งโรงศพด้วยทั้งเงินทํำชาวพนักงานศพด้วยศพละห่าพัดตานนี้ก็ได้ประมาณร้อยกว่าศพที่ได้มารับความอนุเคราะห์จากรทางที่ตรงนี้มีโอกาสเราก็ได้ช่วยกันปีหน้าหลวงพ่อก็จะพาฉลองชมโภชัย ให้ทุกคนได้มีความสุขจะตั้งลงทานตลอดทั้งตลอดไปมีโอกาสใครอยากมาตั้งลงทานมาใครตั้งลงทานตั้งเพื่อความโมโนุเคราะห์มากราบมาไหวมาเข้ามาวัดจะได้ไม่ได้ลําบากไม่อดไม่อยากไม่หิววันนี้ญาติโยมก็มาเยอะขนมนมเหนยก็อาหารกัดอยู่กันจินก็เยอะท่านผู้ใจบุญก็มาตั้งลงทานกันหลายคนหลายท่านส่วนอาหารขนมขนมเหนยวันนี้ก็ออก อย่าเอาไปเก็บไว้ให้มาตั้งเอาไว้ให้ใครไปใครมาได้อยู่ได้กินเอาออกไปตั้งลงฐานให้หมดไมใ่ให้เก็บเอาไว้ใครไปใครมาลูกหลานก็มาก็จะได้อยู่ได้กินกันตั้งใจละพรกันท้าวอริวาหาปูราอริปุเรนติ สาขารังเอวไมวอิโตทินังเปตาหนังอุปกปะเพริยิชิตังปัดชิตังตุมหังชิปะไมวสเมศสตุสับเพปุเรนตุสังกปาจันอาข้ให้ยาเดิมเราทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับดูการหายใจเข้าของเราให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันอดทนสักพักหนึ่งอดทนนั่งมานานแล้วอดทนอีกสักต่อสักสองสามนาที อดทนอีกสักพักสักระยะหนึ่งเพื่อที่จะลดละมานะละทิฐิละกิเลสของเราฝืนสังขารฝืนร่างกายของเราฝังไปด้วยน้อมสำเนียกหยุดความคิดหยุดอารมณ์ต่างๆเอาไว้โชค่ะขาลองสูรลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจเข้าไยาวๆใครมีพันธะภาระหน้าที่การงานต่างๆอย่าพึ่งอย่าพึ่งคิดถึงเลย วางเอาไว้เช่นกันให้สร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกของเราให้ชัดเจนเพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าออกเราก็ขาดการสร้างความรู้ตัวตรงนี้แหละตั้งแต่ตื่นขึ้นมาความรู้ตัวเป็นยังไงรู้ที่ต่อเนื่องก็เป็นอย่างไรเราพยายามสร้างขึ้นมาตั้งแต่ตื่นขึ้นมายังไม่รู้จากที่ ถ้าสติของเราตั้งมั่นขึ้นต่อเนื่องขึ้นเราก็จะรู้ในเรื่องชีวิตของเรารู้การเกิดการดับของจิตวิญญาณของเรารู้ความคิดรู้อารมณ์รอบรู้ในสมมุติรอบรู้ในวิมุตติรอบรู้ในกองสังขารตามคําสอนของพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าท่านสอนเรื่องสมมุติวิมุตติสอนเรื่องอัตตาเรื่องอนัตตาสอนเรื่องหลักของอริยสัจขอสอนเรื่องความจริงของชีวิต ทำอย่างไรเราถึงจะรู้ความจริงของชีวิตของเราเราก็ต้องรู้จักการเจริญสติเข้าไปวิเคราะห์หาเหตุหาผลหมั่นพร่ำสอนใจของเราอยู่ตลอดเวลาใจทุกดวงมีบุญถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์ใจทุกดวงนั้นปฏิบัติธรรมกันมากดแต่ความรู้อยู่ปัจจุบันตรงนี้เรายังไม่กระจัดเราจงพยาหมารอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในดวงวิญญาณรอบรู้ในขันหะของเรารอบรู้ในโลกกระทำในสิ่งที่เราเข้าไปยุ่งเกี่ยว โดยการเจริญสติเข้าไปเห็นเห็นการเกิดการดับของวิญญาณรู้ลักษณะของวิญญาณหรือว่ารู้ลักษณะของใจใจที่ปราศจากกิเลสเป็นอย่างนี้ใจที่สงบเป็นอย่างนี้ใจที่ไม่เกิดเป็นอย่างนี้สติปัญญาของเราไปเกิดไปทำหน้าที่แทนได้หรือไม่อร่อยที่จะเป็นประโยชน์ใกล้ประโยชน์ไกลประโยชน์สูงสุดจิตใจทุกดวงมีบุญมีศรัทธาแต่ขอให้เป็นศรัทธาที่เกิดจากการเจริญภาวนารู้แจง้งเห็นจริง แล้วก็เอาไปดับทุกข์เอาไปละทุกข์เอาไปใช้กับชีวิตประจาวันให้ได้ไม่ใช่ว่าศรัทธาแบบหลงงมงายใครว่ายังไงก็วิ่งตามกันไปอย่างนั้นเขาเรียกว่าศรัทธาหลงงมงายต้องเป็นศรัทธาที่ให้เกิดประโยชน์ศรัทธาที่ให้รู้ความเป็นจริงของชีวิตจากในน้ยไปหามากๆ เพียงแค่การเจริญสติการสร้างความรู้ตัวลักษณะของสติปัจจุบันเป็นลักษณะอย่างนี้รู้ตัวที่ต่อเนื่องกันเป็นอย่างนี้การควบคุมจิตควบคุมอารมณ์จนกว่าตัวจิตของเราจะคลายออกจากความยึดมัน่นเสือมั่นซึ่งเรียก ว, ว่าแยกรูปแยกนามได้นั่นแหละสัมมาทิฏฐิถึงจะเปิดทางให้มองเห็นทางทะลุ ป, ปุโปร่งตามทํ า, าความเข้าใจหมดความสงสัยหมดความหลังเล่ก็ต้องพยายามนะ อย่าพากันปล่อยวันเวลาทิ้งเสียดายเวลาทุกลมหายใจเขาออกมีคุณค่ามากมายมหาศาลอย่าให้ใจของเราเกิดความอยากไม่แต่นิดเดียวในหลักธรรมความอยากความไม่อยากใจก็ไม่สงบคนทั่วไปนะั้นทั้งทั้งอยากด้วยหวังด้วยในหลักธรรมท่านให้ละความอยากละความหวังให้บริหารให้รับผิดชอบด้วยสติด้วยปัญญาด้วยพรมมวิหาร อยู่ก็สมมติก็จะมีตั้งแต่ความสงบความสุขเราก็จะเข้าใจในคำสอนของพระพุทธองค์เอาพระพุทธเจ้ามาไว้ที่ใจของเราทันทีพุทธะก็คือผู้รู้รู้ตื่นรู้เบิกบานรู้สะอาดรู้บริสุทธิ์มองเห็นหนทางเดินว่าจะได้กลับมาเกิดหรือไม่กลับมาเกิดกันอะหลองสร้างความไม่รับรู้การหายใจเขาออกให้ชัดเจนกันนะจากพักสักระยะนึงวางเอาไว้ทาจิตให้ว่างสมองให้โล่งกายให้โปรง่ง อยู่หลายคนก็เหมือนก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวขนาด น, นี้ก็ให้รู้ว่าหลบวิ่งเข้าวิ่งออกก็ตบปลายใจมุขของเราชัดเจนกันฝากกันไหว้พระพร้อมพๆกันคอยไปสร้างศาลต่อนะหลวงพ่อเป็นแค่เราเห็บวัง